นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตสะบุเบกตพุญยตาเอตัมมังะลมุตมมันติต่อจากนี้ ถึงโอกาสถึงเวลาเหมาะ อ, อันควรที่พวกเราจะมาฟังธรรมกันเพราะนั้นการฟังธรรมให้ได้ผลนั้นพวกเราเริ่มต้นก็พากันนั่งให้สบายๆนั่งแบบไหนสบายเราก็นั่งกันเพราะเราต้องการความสบายแล้วเพราะนั้นเรานั่งให้สบายไม่ต้องพนม ม, มือก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราสำรวมให้สำรวมกายวาจาแล้วสำรวมใจของเราพร้อมก็แสดงเป็นการแสด ง, งความเคารพแล้ว เมื่อเราได้ที่นั่งให้พอเพียงของเราแล้วอย่าไปเกยเข่าห้ห่างๆงพอประมาณเพื่อจะไม่กังวลต่อคนอื่นเมื่อเราได้ที่นั่งจัดที่นั่งของเราให้เรียบร้อยส บ, บายๆทั้งท่าแขนร่างกายแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะปล่อย ว, อยวางร่างกายเราจะปล่อยวางภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ตลอดจนกระทั่งเวล่วลา เราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจของเราไม่เอาใจของเราไปผูกพันไม่เอาใจของเราไปกังวลไม่เอาใจของเราไปนึกคิดบุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นในขณะนี้ร่างกายของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่งอยู่เฉพาะร่างกายไปดีสระเสรี LE, อยู่เฉพาะร่างกายไม่มีอะไรลุงมลังเลยเพราะฉะนั้นเราก็รักษาใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอยา่าไปพัวลุงพลังกับความนึกคิดปรุงอดีตอนาคตต่างๆนานา โดยให้จิตอยู่กับปัจจุบันเราจะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็อยู่กับพุโทโธหรือเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจออกนั้นเมื่อลดรอย ร, รักษาจิตของเราอยู่ในปัจจุบันนจะทำได้แล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายออกไปสู่อดีตอนาคตหรืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายธรรมะที่ท่านแสดงไปมันจะก็ส่วนใดที่ถูกจริตนิสัยของเราหรือติดหรือเรายัางติดขัดข้อง คล่องคาอยู่ในธรรมะส่วนใดธรรมะนั้นก็จะไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราเองเหมือนกับว่าถ้าเราได้สถานที่เงียบสงบแล้ว เ, เทปของเราเนี่ยมันเกี้ยงสะอาดเราอัดมันก็ได้เสียงอันชัดเจนอันนี้เช่นกันเมื่อเรารักษาจิตเราอยู่ในปัจจุบันนั้นเสียงธรรมที่แสดงออกไปก็จะซึมซับเข้าสู่ใจของเราใจของผู้ฟังย่อมได้รับความสงหบหรือใจของผู้ฟังย่อมได้รับความผ่องใสนั่นเอง เพรานังจากนี้ไปพากันตั้งใจสดับตับฟังธรรมะกาสืบต่อไปชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนั้นเราต่างท่านต่างคนต่างล้วนแต่ปรารถนาความสุขไม่มีใครปรารถนาทุกเพราะฉะนั้นการขวนขวายแสวงหาของพวกเราต่างท่านต่างค น, นล้วนแต่แสวงหามาเพื่อความสุขหรือเพื่อป้องกันทุกหรือเพื่อดับทุกที่มีอยู่แล้วในชีวิตของพวกเราเอง นับตั้งแต่เรารู้รู้เดียงสามาเราจะไปควัญขวายเสวงหาอะไรม า, วารวมความแล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขของเราทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะไปขวนญขวายศึกษาเล่าเรียนหาวิชาควารมรู้ไปประกอบกิจการงานอาชีพหาเงินหาทองหายศหาบัณฑหาหาสักหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนหาหาบรญญญาหาสามีหาครอบครัวหาอะไรต่ออะไรวัตถุสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เราผ่านมานั้น เรารวมแต่แสวงหามาเพื่อความสุขของเราด้ว ย, วยตามคว า, า, ามคาดหมายของใจของเราเองใจคาดหมายอย่างไรหรือตามสภาพสังคมนั้นคขานิยมอย่างไรเราก็ไปคาดหมายตามสังคมนั้นหรือคาดหมายไปตามความต้นเดาของเราเองว่าเรามีสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นได้ไปอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขเพราะฉนั้นพวกเราจึงพากันดินน้นรนพากันเพลย์ทยานพากันขวนขวาย ให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาที่เราต้องการมาแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวแม้จะทุกข์ย า, ากลาบากจนบางคนยอมสละเป็นสละตายไปก็มีเพื่อให้ได้สมความปรารถนาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายเวลานเวลาที่ผ่านมาในวัยของพวกเรามาถึงบัดนี้พวกเราได้ย้อนและเลิกและ ย, ยิงแต่ย้อมพิจารณาตัวของเราเองหรือไม่ว่า การเวลาที่ผ่านมาที่เราพากันดิ้นรนทะเยอะทะยานขวนขวายแสวงหาความสุขตามความคาดหมายของเรานั้นแล้วชีวิตของพวกเราประสบสัมผัสกับความสุขส่วนใดเราได้ความสุขสมทังที่เราปรารถนาหรือไม่นี่แหละถ้าพวกเราไม่เคยพิจารณาเลยก็แสดงว่าพวกเรายังประมาทยังนอนใจในชีวิตยังนอนใจในความเป็นอยู่ของเราอย่างยิ่งชีวิตที่ไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วจะต้องควรที่จะต้องย้อนดูหรือย้อนพิจารณา ดูตัวของตัวเองบ้างเราจะได้เห็นต้นสายไปเหตุหรือเราจะเห็นได้เห็นเส้นทางบ้างเพราะนั้นถ้าหากเราย้อนเข้ามาพิจารณาดูการเวลาผ่านไปชีวิตของพวกเรานั้นถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นธรรมแล้วเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าชีวิตของพวกเราที่เราเบี้นล่นทั้งเดือที่ยันเดือคาดหมายไปต่างๆนานาตามความต้องการหรือตามความเออเออนิยมของสังคมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น มาตั้งแต่เรารู้รู้เรยงสามาจนกระทั่งถึงบัดนี้และแน่ใจว่ายังจะจะตลอดต่อไปนั้นชีวิตของพวกเรานั้นล้วนแต่จะเพิ่มพูนแต่ภาระมากขึ้นล้วนแต่จะเพิ่มพูนความพะลุงพลังจะเพิ่มพูนแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่เพิ่มแต่ปัญหาซึ่งต่างๆทั้งหลายทังที่กล่าวมานี้ล้วนแต่ไม่มีใครปรารถนาแต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่ไม่ปรารถนาภาระไม่มีใครปรารถนาความพะลุงพลัง ไม่มีใครปร า, ารถนาความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ชีวิตของพวกเรานับวันจะเพิ่มพูนแต่สิ่งเหล่านี้ส่วนท่าขันร่างกายของพวกเรานับวันก็เก่าค้ำค่าไปเก่าค้ำค่าไปแก่เท่าลงไปไอ้ความแก่เท่าความเก่าค้ำค่าของท่าขันร่างกายนั้นก็พร้อมกับนําเอาความอึดอาดพร้อมกับนาเอาโรคภัยไข้ไขเจ็บพร้อมกับนําเอาความทุกข์เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นในท an ่าขันร่างกายนัผลที่สุดตัวคือฟาร์มแตกดับมาเยือนเลือนกายนี้ นั่นเรามาพิจารณาดูแล้วนับตั้งแต่เราบัตรขึ้นมาในโลกจนกระทั่งถึงวันแตกดับเรามีส่วนใดเป็นความโศกเรามีส่วนใดเป็นความประเสริฐหรือมีส่วนใดเล่าที่จะมาแก้ไขชำระทุกข์ของเราให้ดับสิ้นไปถ้าเราพิจารณาดังที่กล่าวมาอย่างท่องแท้แล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ที่เราค้นควายสแสวงหามานั้นมันไม่ใช่เส้นทางแห่งความโศกมันไม่ใช่เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ เพราะธาตุขันร่างกายนั้นเราแสวงหามาเพื่อปราท้องร่างกายธาตุขันร่างกายของเราเราจะไปหาสุขมาจากไหนเพราะกองทุกอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทุกใดในสาโลกนี้มันจะทุกเท่ากับเรือนกายอันนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าพาราแหวเวปันจักขันธาขันห้านี้เป็นพาราหนักที่สุดไม่มีพาลาอะไรจะหนักเท่ากับการแบกขันห้านี้แล้วท่านบอกภาราหโลจะเดือดจะปุคหโล บุคคลทั้งหลายแบบพาระเหล่านี้ไปจริงเป็นทุกข์ที่สุดในโลกแล้วเราจะไปเอาสุขเ อ, เ, อเอาสุขได้จากที่ไหนจากกองทุกข์เรามาพิจารณาดูว่าตั้งแต่ศรีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศรีรษะมีส่วนใดเล่าที่เป็นกองสุขมีส่วนใดเล่าที่เป็นฟารมสุขนับตั้งแต่วันแรกที่เราได้กองธาตุกองขันอันนี้มันก็แสดงถึงความทุกข์อื่นแล้ว เราเกิดมาเราได้เรือนกายนี้มาเราได้มาพร้อมกับการการ้องไห้ไม่ใช่เหรอหรือมีใครเกิดมาหัวเราะบ้างไหมมันก็รวมแต่เกิดมาร้องไห้ทั้งสิ้นนั่นแหละไอการร้องไห้นี่ก็แสดงถึงความทุกข์แล้วแล้วถึงวันสุดท้ายปลายแดงของชีวิตถึงความแตกดับของเรือนกายนี้ก็ก็ร้องไห้อีกจบด้วยการร้องไห้แม้ตัวคนตายไม่สามารถร้องไห้ได้ก็ยังเป็นสาเหตุให้คนอื่นเขาร้องไห้ แต่เรามาพิจารณาดูสิเริ่มต้นด้วยการร้องไห้และจบด้วยการร้องไห้แล้วส่วนท่ากลางละ่ะท่ากลางพูดที่เจ้าบอชาติปีทุกข่าเจลาปีตุกข่ามรณะปีตุกขังโซคาบริทีวะถุกฆทรมาทาสุปายาซาปีตุกข่าอัปเยหิตซัมปโยโคดุขโคปิเยหิตวิปโยโคดุขโ ค, โ ค, โคโยำปิช่างนารปติปัมปีตุกขังท่านบอกว่าความมึนเกิดมาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ าาความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายใจไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความคว า, ามปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความได้ในสิ่งอันเป็นที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์คว า, ามท้าทาจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์มันวนอยู่กับตัวทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่ง ถ, ถ, ถึงวันตายแล้วมันสุขอยู่ตรงไหนน่นเรามาพิจารณาดูมันล้วนแต่กองทุกข์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงดับ เพราะฉะนั้นไม่มีทุกในในโลกนี้จะหนักยิ่งกว่ากองท้ากองขันอยู่แล้วทุกวันนี้พวกเราจึงอยู่ด้วยการบรรเทาทุกทั้งสิ้นถ้าหากเราไม่บรรเทาทุกนี้เราก็ทนมันไม่ได้เช่วนว่าฟาร์มหิวกรหายเราทนไม่ได้หรอกเราก็ต้องบันเทาทุกโดยการรับประทานรับประทานมันก็ไปพ้นทุกเร็บชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินสี่หชั่วโมงก็มาทุกอีกดิบขันเราอีกเราก็ต้องไปรับประทานเพื่อบรรเทาทุกอีกหนาวเราทนไม่ได้เราก็ต้องไปนุ่งห่มร้อนเราทนไม่ได้ก็ต้องไปอาบ เอ่วงเงาเขานอนทุกเราทนไม่ได้เราก็ต้องไปหลับไป น, นอนขับท่ายเราทนไม่ได้เราก็ต้องไปขับท่ายแม้กระทั่งนั่งเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องไปยืนยืนทนไม่ได้เราก็ต้องไปเดินเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยการบรรเทาทุกข์อยู่ตลอดเวลาอิรยิรยาบดสี่นี้มันจึงเป็นอิริยาบทของการบรรเทาทุกอย่างแท้จริงนี่แหละชีวิตของพวกเราเรือนกายนี้จึงเป็นกองทุกอย่างแท้จริงถ้าหาพวกเรา หากันลุ่มหลงบัวเมาเ พ, เพ้อเพลินหลงไหลอยู่แต่กองทุกนี้มันก็จม อ, อยู่แต่กองทุกนี้ตั้งแต่วันเกิดก็ตั้งถึงวันตายแล้วก็วนตายวนเกิดวนเกิด ว, ว, วนตายหาจุดจบสิ้นไ่ได้มันจมพวกเราจมอยู่กองทุกมากี่พห ก, กี่ชาติจนนับไม่ได้นี่แล้วเรามาพิจารณาดูว่าบัดนี้เรามีธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศข้องโลกมาแล้วเราแต่ละท่านแต่ละคนก็ร่วมแต่เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธ พระพุทธเจ้าประกาศมาอย่างถูกต้องแม่นยําประกาศเส้นทางแห่งแห่งความสุขอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นเป็นสัพพัญญรู้แจ้งโลกอย่างแท้จริงท่านแม้นท่านจะอยู่กับกองทุกก็จริงอยู่แต่ท่านก็ด้วยความเฉลียวฉลาดที่เอามะแกะเกี่ยวข้องกับกองทุกทั้งหลายเหล่านี้เปรียบประดุดเหมือนบุคคลที่อยู่กับกองขยะเรามาพิจารณาดูว่ากองขยะมันเป็นยังไง กองขยะมันมีแต่ความสปกปรกโสโคกมีแต่ความเน่าความเหม็นมีแต่ความหน้าสิอิตเซียนเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่กองขยะนั้นน่ะเขาก็ได้รับแต่เชื้อโรคได้รับแต่กินอันเน่าเหม็นหน้าซิอิตเซียนอยู่ตลอดเวลามีแต่นําเอาเชื้อโรคมาสู่ตัวเองนั่นแลหละก็จมอยู่ในกองขยะกี่พวกกี่ชาติก จ, จมอยู่ในกองขยะก็ได้รับได้รับแต่ความหน้าสิอิตเซียนหน้าขยะขยแยงทั้งกินก็ก็น่ารังเกียจ ทั้งเชื้อโลกอะไรมากมายไก่กองก็มาสะสมทับผมก็มาชีวิตก็เลยมีแต่ความเศร้าหมองชีวิตมีแต่ความทุกข์นั่นแหละคือคนที่อยู่วกองขยะเปี้ยก็เปลี่ยนไปดูดเหมือนกับพวกเราอยู่วกองทุกข์หยวนร่างกายเนี่ยกองทุกข์แต่ถ้าคนคนฉลาดที่เขาอยู่วกองขยะนั้นเขาก็สามารถแปลงอกองขยะนั้นมาเป็นปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ของเขาให้เจริญงอกงามจนกระทั่งออกดอกออกผลไม่ให้เขาได้ชื่นอกชื่นใจเพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เช่นกัน พระพุทธเจ้าแม้ท่านอยู่กองกองก อ, องทุกนี่ก็จริงอยู่แต่ท่านสามารถเอากองทุกเนี่ยเรามาปรับแปลงเป็นอัดเป็นทันเข้าสู่จิตสู่ใจของพระองค์ท่านจนกระทั่งจิตของท่านเป็นโศกเป็นกองบรมสศกอยู่ที่ไหนก็สุขขังวัฏตะสุขขังวัฏตะเป็นสุก ห, หนอสุขหนอสุขหนอนั่นคือพระพุทธเจ้าของพวกเราแล้วพวกเราท่านทั้งหลายเราก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธ เรามีทำของพระพุทธเจ้าย่างประกาศก้องโลกมีคูบาอาจารย์เป็นพยานยืนยันของเราอยู่ในทุกวันนี้เราจังจงอมืองอเท้าจมอยู่กองขยะอีกเหลยนี่ทําไมเราไม่พากันพิจรารณาเตือนตัวของเราเองเล่าถ้าหาผู้เราพาตือนตัวเราเองว่าเออเราจะประมาทไม่ได้เราจมอยู่กองขยะมานานหรือเกินแล้วเราจมอยู่ในกองทุกมานานหลือเกินแล้วแล้วเราจะยังจะคอยวันไหนอีกเรายัง มันจะจมอยู่อย่างนี้เหลอแล้วเราจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่เราจะเอากองขยะนี้มาแปลงเป็นปุ๋ยเพราะเมื่ต้องใช้เวลาในการแปลงเป็นปุ๋ยจริงกันนี่เราก็จริงกันเราก็ต้องใช้เวลาที่ยาวออกกองทุกนี้มาแปลงเป็นอัดเป็นรมแต่ถ้าหากเรายังบวมเมาลุ่มหลงอยู่เลยกองทุกเราก็จ้อมอยู่ในกองทุกอยู่ตลอดเวลาหาโอกาสที่จะสัมผัสกับกองสุขนี้ไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นทหาพวกเราพากันตื่นเนื้อตื่นตัวพากันเปิด ใจออกมาเปิดใจออกมาพร้อมที่รับเอาทำที่พระพุทธเจ้าประกาศกาศ้องโลกไว้ว่าทำของพระพุทธเจ้าเป็นั้นมีคุณค่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างไรท่านสอนอย่างไรท่านบอกอย่างไรเอาวิธีการที่จะเอากองทุกนี้นะ่ะมาแปลงเป็นอัดเป็นธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจมาเป็นกองสุขสู่จิตสู่ใจของเราเปรียบเหมือนเปรียบประดุเหมือนแค่ที่เขาแปลงเอากองขยะมาเป็นปุ๋ยนี่นะเขาก็มีวิธีการต่างๆมาแปลงกองขยะให้มาเป็นปุ๋ย พระพุทธเจ้าของเราก็จริง ก, ก, ก, ก, ก็ใช่ท่านก็มีวิธีการที่จะแปลงอกองทุกข์เนี่ยมาเป็นอัดเป็นธรรมท่านแปลงอย่างไรท่านแปลงด้วยด้วยวิธีการต่างมีมีมรมร ม, มีองแปรประการอ่าขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิลงท้ายก็ด้วยสัมมาสมาธิถ้าหาพวกเราเอา่อพวกเราไปไปประมวลลงมาในไตสิกข า, าก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาดังที่พวกเราคุ้นหูนั่นแหละนั่นแหละเป็นวิธีการ เอามาแปลงกองขยะให้มาเป็นอัดเป็นรมเข้าสู่สิทสู่จิต ส, ส, ส, สู่ใจเอาเราจะแปลงได้อย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรเรามาพิจารณาเรื่องต้นตั้งแต่ศีลชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนในที่นี้เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราเกิดขึ้นมาคนเดียวก็จริงโย่แต่แล้วเราอยู่คนเดียวได้ไหมเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะนับตั้งแต่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะเล็กๆ เ, เช่นในครอบครัวเป็นต้น จนกระทั่งถ <The> ึงโมูคณะใหญ่โตออกไปเช่นโมูคณะในวงงานโมชนะในสังคมเป็นโมูเป็นกลุ่มเป็นก้อนออกไปเพื่อในการอยู่รวมกันเป็นหมูเป็นก้อนนั้นแต่ละท่านแต่ละคนเขาปรารถนาการอยู่ร่วมกันนั้นให้มีความโศกให้มีความเบิกบานให้มีความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันไม่มีใครปรารถนาความเล่าร้อนความขุ่นมัวความเดือดร้อนในการอยู่ร่วมกันหรอกเพราะฉนั้นการอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้นก็เพราะ การอยู่ร่วมกันพวกเราในความสภาพความเ ป, ป็นปุจจชนคนมีกิเลสแล้วก็แต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่มาจากต่างวรรณะต่างชนชั้นวันณะกันบางคนก็มาจากวันณะสูงวันณะไหนปานกลางวันณะต่ำมาจากเชื้อสายนั่นเชื้อชาตินี้แต่ก ต, ต่างกันการอบรมมาก็อบรมก็มาอบรมมาอย่างแตกต่างบางท่านบางคนอบรมมาอย่างละเอียดอบรมมาอย่างปานกลางอย่างหยาบบ้างก <c oughs> ็เมื่อยู่มาอยู่รวมกันแล้ว แต่ละท่านแต่ละคนทําอะไรตามความเคยชินพูดอะไรตามความต้องการตามความเคยชินหมดแลยและ unk, ท well ่านแต่ละคนตามการอบรมมาหรือตามเชื้อชาติวันหน้าของแต่ละท่านแต่ละคนผลที่สุดการอยู่ร่วมกันก็มีแต่การตีนเกี่ยวกันมีแต่การเบียดเบียนกันแล้วการอยู่ร่วมกันมันจะมีความสุขไปได้อย่างไรเล่าเพราะงั้นการอยู่ร่วมกันจะให้มีความสุขมันก็ต้องมีขอบเขตมีขอบเขตของการกระทํามีขอบเขตของการพูดกานจา ไอ้ขอบเขตอันนี้แหละเราเรียกกันว่าศียนเพราะฉะนั้นศียมันเป็นยังไงในสภาพฐานะน้าปุถุชนนี่ยปุถุชนคนมีกิเลสตั้งแบบกิเลสแต่มันจะเอากายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันเพราะฉนั้นเราจริงจะต้องควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตเสียเมื่อเรามีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตแล้วเราตั้งเจตนาขึ้นมาในที่ไหนก็ตามในวัดในป่าหรือในรถในในลาในบ้านในเรือในที่ทํางานเราจะเป็นคนมีศียขึ้นมาโดยอัตโนมัติติด โดยที่เราไม่ได้ไปเจอพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้ไปประกาศว่าป้านาติตาอาทินนาธากามเมสุวิชชาอะไรหรอกถ้าเรามีเจตนาขึ้นมาว่าเราจะตั้งใจควบคุมกิเลส ข, ของเราให้อยู่ในขอบในเขตจะไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตออกมาหนี้เป็นสีอย่างแท้จริงสีงของเราจะมีความบริสุทธิ์ไม่ขาดวิ่งเพราะเรามีฟวามอดกั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตออกมาเท่านั้นนั่นเราจะเป็นคนมีสีอย่างบริสุทธิ์ไม่ว่าจะศีล เท่าไร่มีแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นแหละถ้าเรามีคร์มอดกั้นต่อกิเลสได้นะไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาแล้วนั่นแหละจะเป็นคนมีศีลอย่างสมบูรณ์เช่นว่าเอากิเลสาร์มโกรธมันไม่มีที่ไหนจะแสดงหรอกมันไม่ได้อยู่ที่นางเขียวนางขอหรอกมันอยู่ในหัวใจของพวกเราเนี่ยนะดูลงไปในหัวใจของพวกเราไอ้ควบคุมอดกั้นในหัวใจของพวกเราเนี่ยแหละไอ้กิเลสาร์มโกรธเกิดขึ้นมาอะอดกั้นมันไว้อย่าปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาถ้า ถ้าเราไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาเสียงข้อติ่งเราก็บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไม่อดกั้นมันน่ะมันล้นขอบล้นเขตออกมามันก็นํากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในทง า, างด่าบ้างทางฆ่าบ้างทางตีบ้างเสียงข้อตี่หนึ่งของเราก็ด่างพลอยเมื่อเสียงข้อติ่งของเราด่างพ้อยแล้วไอ้การเบียดเบียนกันการตบตีกันาาการเลาะเบาแวงกันการด่าทอกันการฆ่าฟันกันมันจะอยู่เป็นสูตได้ไหมล่ะ มันก็มีแต่การปีนเกียวมีแต่การเบียดเบียนกันหวัวที่สดใจของเราก็มีแต่ความเล่าร้อมีแต่ความดิ้นรนทุรนทุรไลด้วยความยำเกรงด้วยความระแวงเออด้วยด้วยความขัข้นค้งในเวรในภัยที่จะเกิดขึ้นมาต่อเราคนที่สวดการอยู่ร่วมกันมากน้อยกนหนไหนหาความสุขไม่ได้หรอกเพราะคอยแต่มีความยำเกรงฝ่มีแต่ความกังวล ว, ว่าจะเกิดการเบียดเบียนกันเกิดการเอาเคนินกันเกิดการให้โทษให้ภัยต่อกัน และนับวันกิเลสนั่นมันก็รุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นจนตั้งเป็นคนเยี่ยมโหดโดยไม่รู้ตัวนั่นแหะถ้าเราไปเสริมมันแต่ถ้าหากผู้เราพากขอดกั้นไว้เอากิเลสความโกรธมันแสดงตัวธตนขึ้นมามันแสดงไม่ได้แสดงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะนั้นเพราะนั้นเอาอยู่ที่ใจดูมันที่ใจนั่นแหละใหญ่มันลดขอบลนเฉดไปเปิดเพื่อนคนอื่นเขามันจะเผารวนันเผารดนอยู่ที่ใจของเราพอเมื่อเราดูที่ใจเราเราไม่ไปมองไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นไม่ไปดูคนอื่นเขา แม้กิเลสความโกรธนั้นมันไม่หมดไม่ดับไปมันก็ไม่เพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อมันไม่เพิ่มพูนมากขึ้นเราเห็นโทษเห็นภัยของมันที่มันมีแต่ความเหนือยดิ้นรนมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวที่กัดก่อนอยู่ภายในจิตในใจนั้นคนเราไม่ชอบทุบพิษทออโทษท้อชอบภัยหรอกเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยนั้นนับวันกิเลสความโกรธจะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงนับวันเราก็จะเป็นคนโกรธยากขึ้นคุณคนโกรธน้อยลงจนกระทั่งเป็นคนไม่ค่อยโกรธ นั่และกีเลสฟาร์มโกก็อ่อนลงอ่อนลงแล้วนี่สีงข้อที่หนึ่งของเราก็บริสุทธิ์เอาศีงข้อที่2ไอฟ้ฟาร์มโลบแต่และท่านแต่และคนก็รว่วงแต่มีฟาร์มโลบทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหาผู้เราไม่พาก็กดกล้ามมันไว้ล่ะเมื่อฟาร์มโลบมันมันล้นขอบม้นเข้มก็ไปเพ่งแรงฟาร์มมีฟาร์มได้ของคนอื่นเออเฮ้ยคนอื่นเขามีเห็นคนอื่นเนนนขาได้ก็ไปอิจฉาอิจฉาจิตใจก็มีแต่ฟาร์มเล่าร้อนจิตใจก็มีแต่ฟาร์มขุนมัวเพอล้อนขอบล้นเข้ ม, มากออกไป อยคิดรักตกชิงวิ่งลาวเขาคิดคดโกงเขาเพียงแค่ไปคิดเดไอ้คดโกงเขาจิตใจมันก็ไม่สบายแล้ว ในขณะไปชิดกล้วยไป ค, ด, ไปคดกองเข้ามาไปรักถกชิงวิ่งราวเข้ามาได้มามากน้อยขนาดไหนก็ได้มาด้วยความไม่สบายอกไม่สบายใจมากินอยู่ใช้ใจ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างไม่สบายอกสบายใจกลัวมันจะเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงด้วยความไม่สบายอกสบายใจโหดที่สุดเนื้อหนังเองก็ดูตัดไตไส้พุงของลูกของหลานก็เต็มไป acquaint, ด้วยของไม่สบายใจทั้งนั้นแหละแล้วมันจะเป็นมงคลมาจากไหนล่ะนีะ่ยมีก็มีแต่มีด้วยความไม่สบายอกสบายใจเอ่อ ไม่ใช่ป็นหาความสุญจากการมีไม่ได้หรอกเอาแต่ถ้าเราพวกเราพากตกดกั้นความโลภไว้ให้มันอยู่ในขอบในเขตแม้การได้มาค่อไยอได้มาด้วยความถูกต้องได้มาด้วยความสุจริตได้มาด้วยความสามารถของเราเองในการประกอบในการประกอบกิจการงานอาชีพอันสุจริตแม้การได้มาของเราได้มาน้อยหน่อยได้มาน้อยจะน้อยกว่าได้มาด้วยอำนาจถึงความโลภบ้างก็ตามแต่การได้มาของเรานั้น เราก็ได้มาด้วยความสบายอกสบายใจมากินอยู่ใช้ใจก็กินอยู่ใช้ใจ่ายอย่างสบายอกสบายใจนั่นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงด้วยสบายความสบายอกสบายใจจะไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าการได้มาด้วยอำนาจจ า, างฟาร์มโลบหรือเนี่ยเคียงข้อที่2ของเราก็บริสุทธิ์เอาเสียงข้อที่สามครอบครัวนั้นครอบครัวในการมีครอบครัวก็ร่วมแต่ปาฏนาิครอบครัวมีความสุขให้ครอบครัวมีความอบอุ่น เพราะแน่ๆครอบครัวจะมีความสุขความอบอุ่นไปได้เพราะขึ้นอยู่กับสามีภรรยาสามีภรรยานั้นจนต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีน้ำจิตน้ําใจซึ่งกันและกันไอ้ว่าต้องมีขอบเขตของราคะต้องรู้จักควบคุมราคาอยู่ในขอบในเขตสามีก็ควบคุมราคาอยู่ในขอบในเขตของภรรยาตนไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นภรรยาก็ต้องย แต่ต้องควบคุมราคาออยู่ในขอบเขตของสามีตนไม่ปล่อยร่นขอบร่นเขตไปสู่ชายอื่นสามีก็มีก็ไม่ร่นขอบร่นเขตไปสู่ชายอหญิงอื่นภรรยาก็ไม่ร่นขอบร่นเขตไปสู่ชายอื่นต่างคนต่างมีขอบเขท ต, ตที่สามีตนภรรยาตนที่สดสามีก็ไว้ใจในภรรยาภรรยาก็ไว้ใจในสามีต่างคนต่างมีความสูอสัตว์เอ่ยซึ่งกันและกันมีน้ําจิตน้ําใจออกอ้อมอารีเอ่ย สมัดสมาสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นหนึ่งอันเดียวอันเดียวกันเพราะมีลูกมีหลานออกมาพ่อแม่มีความสื่อสุขมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความมีน้ําใจกันมีความสมัสมานสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นอหนึ่งเดียวกันลูกหลานออกมามันก็มีความอบอุ่นาะที่สุดครอบครัวนั้นก็มีความอบอุ่นมีความสุขแม่้จะเป็นครอบครัวที่มีฐานะน้อยหน่อยครอบครัวที่มียศฐานาสักต่ำต้อยบ้านไปตามเขาก็มีความสุขมีความสบายไปได้เมื่อพื่อนถายงกัน ดำเนินชีวิตยอยู่ในครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นแล้วการประกอบกิจาการงานอาชีพการดำเนินชีวิตหาความเจริญงอกงามไปเจริญจริ่งขึ้นไปไมันก็หาไปได้โดยง่ายเอาแต่ถ้าสามีปริยาไม่ควบคุมอยู่ในขอบในเขตแหะสามีก็ปล่อยให้ราคะล้นขอบล้นเข็ไปสู่หญิงอื่นปริยาก็ปล่อยให้ราคะล้นขอบล้นเข็ไปสู่ชายอื่นต่างคนต่างล้นคอยล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นชายอื่น พี่สวดภรรยากับะแวงในสามีภรรยาสามีกับะแวงในภรรยาต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันแม่ประกอบกิจการงานอาชีพหาเงินหาทองมาได้มากน้อยขนาดไหนก็มีแต่ละแวงว่ามันจะล่วไลออไ น, น, นวไหลออกไปในทางนู้นล้วนไหลออกไปในทางนี้เพะที่สุดก็เลยมีแต่การละแวงกันมีแต่การทะเลาะเบาแหวงมีแต่การถกเถียงกันปิงแก้วกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปหาความสุขหาความเจริญมาจากไหนมันเจริญไปไม่ได้หรอก นอกจากพังทลายจนถึงแตกแยกออกไปลูกหลานก็พังไปคนละทิศคนละทางเนี่ยเนีน่ยมันมีแต่ความพังอย่างเดียวเท่า น, นั้นแหละเบียบประดุจเมือต้นไม้อะต้นไม้ทำเป็นมีกาฝากมาเกาะกินแล้วเราจะไปลดน้ําฝนดินดูแลมันดีขนาดไหนมันจเจริญ ง, งอกงามปเป็นไปไม่ได้หรอก <S <S นอกจากเขียวเฉาจนถึงจนกระทั่งถึงตายจากไปเท่านั้นเองแต่ถ้าพวกเราพากัระมัดระวังไม่ให้กาฝากมาเกาะกินต้นไม้นั้นพากระลดน้ําฝนดินดูแลมันดี ตัวไม้นั่นก็เจริญ ง, งอกงามไปได้ข้อครัวเหมือนกันข้อครัวทาหาสามีภรรยามีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีขอบเขตของราคะอยู่ที่สามีตนภรรยาตนแล้วมีน้ำจิตน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อสงเคราะห์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วข้อครัวนะั้นก็สุขมัก็อบอุ่นมันก็โศกแม้จะเป็นข้อครัวที่มีฐานะต่ําต้อยมียศฐ า, า, าดาสักน้อยมันก็มีความสุขไปได้นั่นะสิ่ข้อที่3ามของเราคือบริสุทธิ์น่นสี่ข้อที่ส การสื่อความหมายก็ร่วมแต่สื่อความหมายด้วยคําพูดคําจาน่าหาพวกเราไม่พากันควบคุมคําพูดของเราปล่อยให้ความคนอนเป็นครอบนําแล้วมันก็ไปพูดเพ้อเจ้อพูดสอเสียพูดติดคิดนินทาพูดโป๊ปดมดเท็จพูดไล่สาล่าต่างๆนานาโหดที่สุดคําพูดคําจาของเราก็เป็นที่รังเกียบขยะขย้งกันต่อบุคคลอื่นเราจะพูดให้ไม่ก่อเกิดเป็นประโยชน์มันก็ไม่เกิดเพราะไม่มีใครยินดีพอใจที่จะฟัง นันแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับการพูดแต่ถ้าหาพวกเราพากันควบคุมคบพูดนั้นอยู่ด้ขอบในเขตอย่าให้ความขา้องมาครอบ ง, งมแล้วเราพูดด้วยคำสัจคำจริงพูดด้วยปิยะวาจาพูดด้วยอาจด้วยทำเพราะที่สุดคำพูดคำจาของเราเนี่ยก็เป็นที่ยินดีพอใจของผู้ฟังอย่าพูดอะ้มันเกิดเป็นประโยชน์อะไรป็นก็เกิด าะมีแต่คนยินดีพอใจในการรับฝั่เ น, นี่ยสิ่งข้อที่สี่เราก็บริสุทธิ์ส่วนสิ่งข้อที่ห้าการเสพสิ่งมึนเมาซึ่งเป็นการทำลายสติคนเรานั้นการรักษาสติก็รักษาได้โดยยากแล้วเช่นว่าพวกเรามาภาวนามาอบรมกิดอบรมใจก็ก็เพื่อบำรุงหรือเพื่อสร้างสติหรือให้มันแนบแน่นขึ้นมาเพราะ้านสตินันก็เป็นการรักษาได้โดยายากอยู่แล้ว แต่พวกเรากลับกายไปเสพเอาสิมึนเมามาทําลายสติให้มันเสียให้มันสึกหรอให้มันพังกะลายมันหลุดสิ้นไปเสียนั่นมันจะไม่แสดงความโง่อันยิ่งใหญ่หรือคนเราถ้ามันไม่มีสติแล้วมันทําความชั่วได้ทุกชนิดนั่นแหละไอ้คนที่มันทําความชั่วก็เพราะมันไม่มีสติเออถ้ามีสติก็ยังมีความยับยั้งมันก็ไปทําความชั่วไม่ได้หรอกแต่นี่เพราะมันไม่มีสติไม่มีความยับยั้งชั่งใจมันก็เลยทําความชั่วชารามมกได้ทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละ แม้กระทั่งสัตว์เล่ย์ฉันบางประเภทมันยังทำทำไม่ได้แต่มนุษย์ที่ขาดสติแล้วมันทำได้ทั้งสิ้นโดยไม่มีอะไรมายักยั้งเลยเพราะฉะนั้นการการทำลายสตินั้นจะเป็นความโง่ที่สุดเพราะเมื่อขาดสติแล้วไม่มีสติแล้วความชั่วทุกประเภทนั้นสามารถทำได้หมดคนเมาเนะี่ยมันไม่มีสติมันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับการไปเสพสิ่งมึนเมาให้ให้ขาดสตินั้น รั์ก็เสียสุขภาพร่างกายก็เสียเกียรติก็เสียนั่นถึงกับความชั่วช้าลามกก็ก็ไหลเข้ามาสะสมความชั่วช้าลามกโดยไม่รู้ตัวนั่นเพราะฉนั้นไม่มีแต่ความเสื่อมเสียแม้นกระทั่งลักษณะอาการของของคนเมาก็ไม่ได้แตกต่างจากคนบ้าแต่ถ้าบมาพิจารณาโดยโดยถูถท่วมทีแล้วคนบ้าเขายังมีความมีคุณค่า ย, ยิ่งกว่าคนเมาซะ อ, อีกนั่น เราไปพบเห็นคนบ้าเรายังมีความเมตตาสงสารพอจะช่วยเหลือได้เรายังอยากจะช่วยเหลือเลยแล้วมีใครไปเจอคนบ้าเห็นคนบ้ามีใครจะเมตตาสงสารไหมล่ะมีแต่เขาหมั่นไส้ให้เท่านั้นแหละแล้วเราเป็นผู้เมาเองพ่อแม่ลูกหลานเราเป็นคนเมาเองแหละมีแต่คนก็หมั่นไส้ไปที่ไหนว่ามีแต่คนหมั่นไส้หมั่นไส้แล้วมันเป็นมงคนแล้วหรือมันดีแล้วหรอให้พากันพิจารณาดูนี่แหละถ้าต่างนัานแต่งคนเนี่ยต่างในความสาคัญแล้ว พากันในความสําสคัญในศีลห้าพาก็อดกั้นกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตแล้วเป็นคนมีศรรีลห้าแล้วแม้นเราจะเป็นบุตรชนเราก็เป็นกัญญาณับบุตรชนก็คือบุตรชนคนดีนั่นเองเพราะนั้นศีลนั้นจึงเป็นเครื่องวัดถึงควา ม, มเป็นคนดีหรือคนเลวนั่นเองถ้าคนไหนมีศีลคนนั้นก็เป็นคนดีแต่คนไหนไม่มีศีลคนนั้นก็เป็นคนเลวแล้วถ้าคนเลวมันอยู่ที่ไหนอเดือดร้อนหมดอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อน แต่ถ้าคนดีเรามีศีลอยู่ที่ไหนมันก็อบอุ่นอยู่ที่ไหนก็โศกนะ แ, แม้เราจะมาจากชนชั้นวรรณะแตกต่างกันมาจากหลายเชื้อชาติกันก็ตามเมื่อเรามีขอบเขตของศีลมีขอบเขตแล้วงามเหมือนกันหมดอ่าบริษัทเวิร์ดเวิร์ลีน่านี่ลองมีคนมีศีลดูสิงามเหมือนทั้งนั้นนะอดิการยานางมัทเชกกายานางปริโยสานะักการญานาง งามทั้งทรรมกลางงามทั้งเบื้องตอน้นงามทั้งนั่งกลางงามถึงที่สุดมีแต่ความงามแม้นเราจะมาจากเชื้อชนชั้นวรรณะแตกต่างกันมาจากเชื้อชาติแตกต่างกันม า, ากไม้ไม้ไก่กองถ้ามาอยู่ในขอบเขตอันเดียวกันล้งามกันาดนั้นร่มเย็นเหมือนกันหมดเหมือนกับดอกไม้ในแจกันนั่นแหะจะมาจากที่ต่างๆกันมาจากประเภทต่างๆกันว่าดอกไม้ในเมืองดอกไม้ในท้องทุ่งดอกไม้บ้านนอกดอกไม้อะไรมารวมกันอยู่ในแจกันอันเดียวกันล้ำงามเหมือนกันหมดนั่น นี่เราเพราะอยนั้นพากันศีลคุณค่าของศีลเมื่อมีเมื่อพวกเรามีศีลเป็นเบื้องต้นแล้วการอยู่รวมกันของพวกเราเราก็มีมีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีปริพเทศความกังวลในเวรในภัยต่างๆทั้งหลายใจมันก็มีความผ่องใสมีความเ บ, บิ่บายในระดับหนึ่งเอาจากนั้นมาเรามาชําระใจของพวกเรามาชําระใจของเราอันยุ่งเหยิงวุ่นวายดิมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมาแต่ไหนแต่ไรมาด้วยความดิ้นรน ดินรนขัดแปลงต่างๆน า, น า, ๆ, นาๆกุ้มอกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจครับแค้นใจมีอะไรตัวอะไรมากมายไก่กองสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่มีข้อมำอยู่ภายในจิตอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่า ย, ยินร้ายก็าตามเดอกก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากความนึกคิดปรุงแต่งของเราเองอเพราะนั้นเราก็ต้องมาชําระแก้ไข มาชําระแก้ไขความคิดของเราเองความคิดนั้นเนี่ยไปจะแก้ไขไอ้ความคิดที่ผิดความคิดอีกเกิดขึ้นมาจากอํานาจแห่งโมหานั้นให้มันมาเป็นความคิดของวิชาเพื่อจะชําระโมหะความรุ่มหลงนั้นหลุดึ้นออกไปนั้นปัญญาเนี่นจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตนั้น ม, มีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิเจตีจะมาเป็นสมาธิได้จิตนั้นก็ต้องมีความสงบเสียก่อน จิที่จะมีความสงบนั้นจิตก็ต้องมีก็ต้องมีหลักยึดไว้ถ้าจิตไม่มีหลักยึดแล้วมันก็เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานลั่นแหละตื่นนอนขึ้นมาบอกคิดปไปตามอดีตตามอนาคตไปเรื่อยคิดแล้วกุ้มอกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจคิดแล้วแคบแคยนใจไม่อยากจะคิดมันก็หยุดคิดไม่ได้แล้วมันทำมาใช่ของจิตเป็นธรรมดาของจิตเนี่ยที่ไม่มีหลักยึดมันก็เล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละ อ้าถ้าเราไม่อยากให้จิตมันเล่อ่อนออกไปกับความนึกคิดปุงแต่งแล้วก็ให้หาหลักมาใดมาให้จิตมันยึดไวเอ่อเราจะเอาเอาอะไรมาเป็นหลักเราเราจะเอาคําบริกรรมว่าพุทโธเนี่ยมาเป็นหลักเรานั่งอยู่แล้วก็นึกในใจเรานั่งอยู่สบายๆนึกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เราเรียกกันว่านั่งนั่งภาวนานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยนั่งภาวนามาเอ้าเราเดินอยู่ก็ตาม เราเดินตรงไหนที่ที่จุดไหนมันสะดวกเดินไปกลับเดินสะดวกเราก็เดินด้วยท่าสมัมมลวงเราก็นึกในใจบริการไปพร้อมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเรามัดระวังรักษาอย่ามันยยอย่าจิตคือผู้รู้เนี่ยเผอหลุดออกไปจากพุทโธเราเรียกกันว่าเดินจงกรมคนเราถ้ามีการเดินจงกรมมีการนั่งนั่งสมาธิภาวนา อ, อ, อยู่บ่อยๆเข้าแล้วจิตที่เคยฟุง้งซ่านหงุดหงิดรำคาญไปกับ อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายนับวันไม่จะห ด, หดกระแสก็ามาเรื่อยหดกระแสก็มาเรื่อยด้วยอํานาจแห่งสตินะด้วยอํานาจแห่งสติที่เราอบรมไว้เนี่ยเราอบรมพุโทโธเนะี่ยนึกพุโทโธพนะุทโธเนี่ยแหละเป็นการอบรมสตินับวัน past, สติก็แนบแน่ง ข, ขึ้นมาแนบแน่งขึ้นมาความระมัดระวังก็คุ้นเคยขึ้นมาภายในจิตคุ้นเคยมาเรื่อยเรื่อ ย, อยคุ้นเคยมากขึ้นต่อไปก็เลยเป็ น, ป, น, ป, นปกติของจิตคือแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวว่าจิต เป็นปกติของจิตที่มีความระบากระวันคือสตินั้นมันแนบแน่นจากความระลึกจากความระลึกได้กับเป็นความรู้ตัวคือมันรู้ตัว ต, วตลอดตลอดเลยนตั้งแต่ตื่นนอนจนมาจนถึงหลับมันเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิตเลยจากนั้นคําว่าเผลออีกจะไม่มีเลยพอเรากําหนดพุโทโธพุโทโธพุโทโธมาเป็นอารมณ์ของจิตเราจะนั่งกําหนดสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมง5นาทีสิบนาที มันก็จะอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนอีกต่อไปเมื่อจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่มันเคยครอบงําจิตก่อเกิดจิตด้วยความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีแต่จางออกไปจางออกไปเบาบางออกไปจากจิตอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่ครอบงาจิตมันบางเจ้าไปเลยบางจางออกไปจากจิตนั้นเบาบางออกไปเบาบางออกไป มันก็จะมีความล่มเย็นมีความผ่องใสเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้ น, นทันทีนั่นจากนั้นเราก็เริ่มเห็นผลจากการภาวนามาแล้ว เ, เห็นจากผลจากการภาวนาที่สัมผัสรู้อยู่ภายในจิตในขณะ น, นี้ว่าแต่ก่อนแต่ไกลตั้งแต่เรารู้เดียงสามานั้น เราก็มีแต่ดิ้นรนเพื่อะทะยานอยากได้ความสุขวิ่งวุ่นแสวงหาต่างๆตามตามความคาดหมายหรือตามวัยของตนก็ตามเถอะหรือตามสังคมก็ตามว่าสิ่งได้มีความสุขสิ่งใดจะเป็นความสุขวัวออวิ่งเยือะยานมาเรื่อยเรื่อย ผลที่สุดชีวิตของเราไม่เคยสัมผัยกับความสุขเลยแม้เราจะได้สิ่งเหล่านั้นมาได้สิ่งเหล่านี้มามันก็เป็นภาระเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มเหมือนเป็นเพิ่มเอ่อเพิ่มพาระมากขึ้นเพิ่มความยุ่งเหยงิงวุ่นวายมากขึ้นส่วนร่างกายก็เก่าค้าค่าไปดังที่เก่าวมานั่นแหละผลที่สุดความสุขห่างออกไปห่างออกไปแต่บัดนี้พอเรามาภาวนากิตของเราหยุดดิ้นรนหยุดผัดแกงเท่านั้นนหละ มีความผ่องใสมีความเบิกบานเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมันเห็นชัดเจนเลยโอ้ยแต่ก่อนนี้เรามีแต่วิ่งหาความสุขวิ่งหาความสุขความสุขมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นั่นพอวันนั้นสัมผัสกันนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่จิตยังไม่ถึงกับควาสมสงบรวมตัวตอนนั้นเน่ยเจตมันแกละเอี่ยตัวเข้าไปเมื่อสัมผัสถึงความร่มเย็นความผ่องใสแล้วเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหความสุขมันอยู่ตรงนี้นั่น แต่ลราแต่ก่อนแต่ใครเราสแสวงหามาไม่เคยเจอเพราะเราวิ่งออกไปหาข้างนอกเราไม่เคยหาข้างในนี่พอจิตของเราหยุดหยุดฟุง้งซ่านหยุดปรุงแต่งหยุดขั้นไม้ออกไปต่า ง, างนนๆนานาจิตมีมีความผ่องใสเบิก บ, บานผสมสว่างสวัยอยู่ภายในจิตในใจมันเห็นชัดเจนเลยว่าสุขอยู่ตรงนี้สุขเกิดขึ้นมาจากหยุดจิตมันหยุดพอเห็นอย่างนั้นจากนั้นความภา พ, ภาพความเพียรมันไหลเข้ามาไหลเข้ามา เมื่อเรามีความภาคความเพียรพาเดินจงกรมนั่งภาวนาประพฤ่งปฏิบัติทำมากขึ้นมากขึ้นนับวันจิตของเราละเอียดว่าโละเอียดเข้าสักวันหนึ่งจิตก็รวมตัวเข้าสู่ฟาร์มสงบนั่นพอจิตรวมตัวเข้าสูฟาร์าสมสงบแล้วประพัฒนะไม่ดังจิตตั้งพิกเวเ อ, อพระพุทธเจ้าต้องสงเกตไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจิตเดิมเริ่มประพัฒสอนคือจิตแต่แตั้งแต่เดิมน่ยมันเรื่องมันสว่างสวัยสุขสว่างสวยเฉพาะของมันเอง แต่ก็เพราะอาศัยกิเลสเพราะอาศัยอารมณ์เรื่งาาองราวครอบงาจิตเมืเ่อเลยมีแต่ความมัวหมองมีแต่ความขุ่นมัวแต่นั้นไม่ใช่เจิอแต่พอสิ่งเหล่านั้นเบิกหลุดออกไปจากจิตไป น, น, นี่ยนจิ ต, ตแสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนมีแต่ความสุขสว่างสวยทำที่พระพิจ้ากล่าวไว้บทหนึ่งว่าผุดขึ้นมาภายในจิตในใจว่านัตถิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยควาสมสงบไม่มีแต่ก่อนแต่ไกลนั้น เราสมัมผัสกับลูกเรามีแสวงหาลูกที่น่ารักหน้าชอบใจว่ามันเป็นความสุข เ, เราก็แสวงหาลูกเสียงที่ไเพเราะเพราะพิงมันจะมีความสุขเราก็แสวงหาเสียงหากลิ่นหารสตามความคาดหมายดีกว่าลุ่มหลงบัวเมาทิโยธิยานดิน้ลนลน่นไปตามการมคุณทั้งหลายอยู่ตลอดมันได้มามากน้อยขนาดไห น, ไหนมีความสุขมีความชื่นชมยินดีขนาดไหน จะมาเปรียบเทียบกับความสุขที่มันตากดอยู่ภายในจิตในใจจากความสงบนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอพอเห็นในเช่นนี้หละพระสิทิ์ที่กล่าวไว้ว่านัทธิสันติบาลังสุขขั ง, งมันสว่างจ้าภายในจิตในใจเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพระเจ้าจากนั้นการปฏิบัติปฏิบัติของพวกเรานั้นจะไม่ลังเลคําว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่เคยครอบงาจิต เ, เลยนะ ทำอะไรก็ลั ง, ลงเลเ ล, ลูกบค ำ, คำหาความจริงจังหาความหนักแน่นไม่ได้จากนี้ไปไมีแต่การทุ่มเทมีแต่ความหนักแน่นเพราะมันมีฉันทะขึ้นมาแล้วมีฉันทะคือความพอใจความพอใจในอัดในทรรมความพอใจต่อข้าวข้อปฏิบัติพราะไม่เห็นผลจากการปฏิบัติแล้วจากนี้เมื่อมีฉันทะแล้วเราจะปฏิบัติทุ่มเทยังไงจะเดินจงกรมทั้งคืนนั่งทั้งคืน ว่าไปฏิบัติทั้งวันมันก็ไม่ได้ให้ความหมายเลยว่าเป็นความยากเป็นความลำบากเพราะมันมีฉันทะความพอใจที่จะทำนั่นไอ้การทําของเรามันจึงไม่มีไม่มีความหมายเลยว่ามันยากหรือง่ายมีแต่ความพอใจอย่างเดียวเดี <S 2> <S 2> <Be S 1> นะ๋ยวบาคนที่ก็มีความพอใจที่จะดูหนังดูละครนะ่ะเขานั่งดูหนังดูละครทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไม่ได้ลุกไปไหนเลยแป๊บเดียวตอนนั้นมันสว่างแล้วเขาไม่ได้ว่าที่เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั้น เป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความลาบากแต่เขาหากเขามีความเต็ดพอใจที่จะดูเขาจึงไม่ได้ให้ความหมายเลยว่าทั้งคืนที่เขานั่งดูหนังไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ไปไหนละเป็นความทุกข์ความยากความลาบากพวกเราก็จริงกันเมื่อเรามีฉันทะในการประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามทําได้อย่างสะดวกทาได้อย่างราบรื่นคนอื่นจะมองเราว่าเป็นความทุกข์ความยากความลาบากขนาดไหนก็ตาม เราจะไม่ให้ความหมายนั่นเลยว่าเป็นความทุกข์ความยากความลำบากมีหากมีแต่ความพอใจมีแต่ความพอใจมีแต่ความถ้าความเพียรมุ่งหน้าในการทําไปเรื่อยเรื่อยจิตมันก็มีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งสงบแนบแน่นอแนบแน่นเป็นปกติของจิตจิตมีแต่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบ หนักแน่นมั่นคงเป็นพื้นฐานของจิตแล้วจากนั้นเอา้าเราจะดําเนินในทางปัญญาเราจะมาคิดพิจารณาทางด้านปัญญาก็เพราะจิตที่ไม่มีสมาธิคือความตั้งมั่นความหนักแน่นไม่เอ็นเอ็นหวันไหวไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่มาสัมผัส ต, ต่างๆหูจ ม, มูกลิางกายใจอีกต่อไปนั้นเพราะฉะนั้นเมือ่อเมื่อปัญญาเมือม่อเมื่อสมาธิมนุ่นปัญญานั้น ปัญญาออกไปคิดพิจารณาขี้คายแยกแยะไต่ตองอะไรนั่นน่ะมันคิดขี้คายออกไปมีแต่ความสว่างสวยมีแต่ความชัดเจนมีแต่ความแยกคายในการคิดพิจารณาอ่ามันมีความสงสัยเครือบแคลงไม่รู้แจ้งอะไรมันก็เปิดออกมาเปิดออกมาเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดอ่าพิจารณาอะไรก็ชัดเจนพิจารณาอะไรก็ชัดเจนไอ้ความมืดบอดความบัวเมาสงสัยนับวันจะหลุดออกไปหลุดออกไปนับตั้งแต่การพิจารณาร่างกายนั่นแหละ เห้ยไม่ละสัตว์โลกเกิดที่มาในโลกนี้แล้วผมวมาเมารูปหลงในร่างกายนี่แหละยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในยึดแบบว่าเป็นอัตตาตัวตนเพราะเป็นตัวเราก็มีของเราเนี่แหละตัวเ ร, เรามีแล้วก็มีของเราไอ้ไหนคนของเราไอ้นี่ของเราคนนั่นของเราคนนี้ของเราพอมีตัวเรามีของเราแล้วเราก็ไปตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาว่าให้มันอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเออหรือต้องการ ต้องการเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการมันเป็นอย่างนี้แต่พอมันไม่ไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนานีแต่สิ่งเหล่านั้นแหละเขาไม่ได้รู้ว่าเราเราจะจะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราไม่รู้ว่าเราจะไปเสกสรรปั้นแต่งเขายังไงแหละพอเขาเป็นอะไรเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอยู่อย่างนั้นพอมันก็เป็นไปตามอยากธรรมชาติของมันความเป็นเช่นนั้นเองมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราเองนี่เราเป็นผู้ทุกข์นั่นเห็นไหมล่ะ เพราะนั้นส่งเหลานี้เดียจึงควรต่อการขี้คายการพิจารณาเราจะขี้คายพิจารณาอย่างไงเอาปัญญามีไว้มีไว้ไปใช้อะไรได้อถ้าไม่ออกมาใช้มันก็หัวหลักหัวตอเท่านั้นแหละถ้าเราออกมาใช้มันก็เป็นประโยชน์แกนแสนสาระต่อเราเองเอาออกมาใช้พิจารณาลงไปพิจารณาลงไปที่กายเนี่นยแหละมันหลงมันมืดบอดเพราะร่างกายเนี่ยดูที่ร่างกายของเราอะเอ ที่เราที่เราเสียสันบัณฑแต่งว่าเป็นคนเราเป็นเราเลยนะเออเป็นของเราเราเป็นนางเขียวนางกอนางแดงนางเขียวอะไรต่อไรนะเออจริงๆเรามันเป็นอย่างไรเราไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายเนะนะมันเป็นยังไงดูลงไปสิดูลงไปพิจารณาตามสภาพความจริงก็ไม่แปลกไม่ต้องไปฝืนความจรงิรจรงความจริงว่ามันเป็นอย่างไรลองพิจารณาลงไปอย่างนั้นเอาความจริงว่มันเป็นอย่างไร เราดูสินับวันกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาผ่านมาเนี่ยแม้ เ, เราจะไปปิดบงังความเป็นพิธีกรโสโครเขาไม่นขนาดไหนด้วยการตกแตง่งด้วยการชําระก็ตามเดี๋ยวเช้ามาก็ต้องมีการชําระมีเอ่อชำละขัดสีฉุยวันมีการตกแต่งปะแป้งทาคิ้วทาปากทาแก้มอะไรตัวอะไรต่างๆนานาเอ่อตกแต่งกันเหน็ดเหนื่อย เ, เพราการตกแต่งหมดทรัพย์สินไปเพราะการตกแต่งนั้น พอกันเปิดเพื่อมาปิดบังเอาอสุภะปิดบังเอาความปิติภูลโสโครมีให้มันมีให้มันมีให้มันแสดงตัวตนตอางหาแล้วปิดมิดไปละแต่งไม่นขนาดไหนก็ตามมันยังคอยแสดงแต่ความปิติภูนโสโครออกมาแม้แต่ทางกลิ่นมันก็น่าสะอิดสะเอียนสีสัน ร, รูปร่างลักษณะก็ข่มคอยแต่จะหน้าหน้ารังเกียจทั้งนั้นแหละขนาดเราตกแต่งนะขนาดเราปิดบังนะแล้วถ้าเราไม่ตกแต่งดูลี คนเราเราไม่ตกแต่งไม่ชำระสางหรืรหอกายนี้ดูที่สักระยะหนึ่งเป็นยังไงกลิ่นนี้เข้าไปใกล้เรากันมันเจ็บจะโบกหักนี่หนนะ่ะเป็นไงนี่หนนะ่ะกลิ่นมันหน้าซิอิตเซียขนาดไหนรูปลักษณะก็กรมอกมอกระแมมแล้วหน้าสิอิตเซียแม้ เ, เสื้อผ้าสะอาดสะอานขนาดไหนมาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ช่วระยะหนึ่งก็ท่องตกแล้วเป็นที่หน้ารังเกียจแล้วอ แล้วนับวันที่มันแสดงตัวตนออกมามันก็แสดงความหน้าลังเกียจยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งบดลมหายใจเขาออกร่อเลี้ยงไว้อะพอบดลมหายใจเขาออกเอ้ยพี่รยล่อเลี้ยงเรือนกายนี่แล้วสภาพความเป็นจริงที่มันแสดงออกมามันเป็นยังไงพิจารณาลงไปดูคนเราเมื่อไม่มีลมหายใจแล้วสักสามวันเป็นงไงสักเจ็ดวันเป็นยังไงอ่ ไอดวงตาที่พวกเราเคยเสกสรรปั้นแตงว่าแหวมันดําหวาวเป็นเป็นเงาเป็นมันวาวเงาวาวนั่นน่ะมีความเจีมใสสวยงามมันก็เริ่มเริ่มบัวเริ่ ม, มขุนบัวขึ้นมาจนกระทั่งล้นปิ้นล้นทะักเหลือทถลนออกมาจากนอกนอกหนังตาเนี่ยเหลือทะลนออกมาขนาดไขหานู่นน่ะนั่นมันมันน่ายินดีพอใจไหมล่ะมันน่าสะอิดสะเอียงขนาดไหน ส่วนเลี้ยงที่เราเคยว่ามันอ่อนโน้มมีริมมีปากคอผุ้ไว้มันก็ขึ้นอืดลนทะลักออกมานอกลิมิปากไอ้มคับปากออกมาเนี่ยนะขนาดกําปั้นนี่ยนะนั่นมันเป็นยังไงสภาพจริงมันหน้าสิสีเงินอ่นไหนไอ้ผิวหนังที่เราเคยมองคือเศษสันปั้นแดงว่า <c oughs> มันมีหน้า ม, มีนวนเขาพองเป็นยองใหญ่สวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปในทางสีสันก็เริ่มกระดํากระดางเขียวเขียวแดงแดงดำดำไปจนกระทั่งเริ่มทะลอกเริ่มทะลอกปลอเปลือกออกไปนั่นแหละจอมันเริ่มผละปลอเปลือกออกไปขึ้นเอือขึ้นมาเอ่อขึ้นอืดถูกพองขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มแตกติออกมาพอเริ่มแตกติแล้วสิ่งที่ถูกมันห่อหุ้มไว้ถูกหนังนี่ห่อหุ้มไว้มันก็เริ่มล้นทะลักออกมานอกหนังแล้วมีน้าเลือดน้ําเหลืองน้ําดองมีต ไปใส่พุงต่างๆล้นทะลักออกมาเต็มเกินก้นไปทั่วสารพังร่างกายอันนี้เป็นที่ยินดีพอใจของหนอนของมแมลงวันต่า ง, า ง, างๆนอนเจาะชัยตามไอ้วะต่างๆเต็มไปทั้งเรือนกายแมลงวันหัวเขียวตอมหึ่งไปทั่วสารพังร่างกาย น, นี้พิจารณาลงไปดูมีส่วนไหนว่ามันสวยไม่งามพิจารณาลงไปดูว่ามันมีส่วนไหนเป็นเล่าอจากนั้นเราดูดูเข้าไปมัน กระจายไปเรื่อยมันกระจายเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลือ่อยผุพองเนา่าไปเรื่อยเรื่อยจากนั้นมาเอาจากจากจากธาตุไฟคือความอบอุ่นที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายไว้เนี่ยจากจากไฟอบอุ่นจากไฟเาผาผ่านย่อยอาหารมันก็กระจายออกไปหลุดออกไปแล้วจากนั้นธาตุลมนี่ลมให้ใจเข้าให้ใจออกมันหลุดร่วงออกไปจากร่างกายธาตุลมกระจายออกไปสู่ธาตุลมหรือแต่ธาตุดินงกับธาตุน้านํ า, นนา ธาตุดินธาตุน้นก็เริ่มผุพองเริ่มแตกกระจายไปธาตุน้ําเอ่ออาบเจียงรองมาด้วยน้าเลือดน้อาอาําเหลืองน้งน ำ, น ำ, นำหนองน้ํามูดน้ําคูดต่างๆจากนั้นท่านในน้ําต่างๆทั้งหลายตนี้ก็กระจายก็ไปสู่ธาตุน้ําเองนั่นเหลือแต่เหลือแ ต, แต่ส่วนที่เป็นแข็งแข็งเป็นธาตุดินอันนี้กระดูกเป็นต้นมันก็เริ่มแตกแตกผุพังแตกปีกระจุยกระจายออกไปสู่ธาตุดินเห็นไหม รวมฟามแล้วกองท่ากองขันเนี่ยมันคือธาตุเดินน้ำลมไฟซึ่งมารวมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพียงชัวงง่วระยะหนึง่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีก็อาศัยจิตนี้แหละเข้ามาอาศัยเกี่ยวข้องกับเขาช่วยระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อปีอย่างนั้นเราก็ไปเสษสันเปั้แงแปลว่ามันเป็นเรานะเป็นของเรานะเออมัเป็นหญิงเป็นชายนะเป็นของหนะ้ารักหนะ้าชอบใจนะเป็นของหนะ้ายินดีนะเศษสรันเติ้งไปอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่รู้หรอกว่าแล้วมันเป็นเราเป็นเขามันเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันรู้แต่ว่าเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหะเพราะฉนั้นเราจึงจมอยู่ในคกองทุกข์ตามที่ว่ามันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาไม่เป็นไปดังที่เราต้องการนั่นแหละวนเวียนอยู่ในคกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาเว้พอเรามาพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วอ่ะมันแท้จริงแล้วมันคือธาตุสีดินน้ําลมไฟมันอาศัยเราเนี่ยคือจิตคผู้รู้เนี่ยคือธาตรู้เนี่ย มาอาศัยเกี่ยวเนื่องกับเขาอยู่อย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีจากนั้นก็แยกออกไปสิพอเราเห็นชัดเจนเออเรามาอยู่กับเขาเรามาอยู่กับเขาอยู่ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละแต่เขาไม่ได้เป็นเราเขาไม่ใช่ตัวเราเขไม่ใช่ของเราแต่เรามาอาศัยเขาช่วยช่วยช่วระยะหนึ่งขณะที่เรามาอาศัยเขาเราจะเอาประโยชน์จากอะไรจากเขาได้ล่ะเออมาอาศัยอยู่กับเขาชั่วระยะหนึ่งรีบเร่งเอาเอาประโยชน์จากเขามาเสียแบบนี้ เอามามารวดเรียบเร่งข้นขว้าในการสร้างอัดสร้างทำในการปริบุริปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นจากนั้นความภาคความเพียรความมุ่งมั่นในการปฏิบุริปฏิบัติมันก็ทุ่มเทมาทุ่มเทมาตั้งแต่ทางศีลโพนาเป็นต้นปริบุริปฏิบัติสะสมไปปริบุริปฏิบัติสะสมไปจิตเบิกบานขึ้นจิตแจ่มใสขึ้นจิตผ่องใสขึ้นนับวันที่การปฏิบุริปฏิบัติอัธรรมทั้งหลายซึ่งเราเอาร่างกายของเรานี่แหละมาเป็นเครื่องมือเอาร่างกายนี่เรามาแปลงเป็นปุ๋ยมาแปลงเป็นธรรม ทำนั่นก็ไหลเข้สู่จิตสู่ใจนับวันจิตใ จ, จมีความเบิกอบานจิตใจมีความผ่องใจจิตใจมีความมีมีความสงบจิตใจมีความ ร, รอบรู้ความเฉลียวฉลาดมับนเบิ่อมาขึ้นมาในในกองอัดกองทำเรื่อยเรื่อยเราก็ปะเพื่อปฏิบัติไปเรื่อยมัสะสมเป็นเป็นอัดเป็นทำเข้าไปเรื่อยเรื่อยเืเ่ไปเนี่ยวันไหนพิจรารณาก็ได้ผลวันไหนพิจรารณาก็เห็นชัดเจนไม่ว่าจะพิจารณาในส่วน ในส่วนรูปธรรมคือร่างกายพิจารณาเห็นชัดเจนว่าเป็นอสุภะอสุพังพิจารณาในส่วนนามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้มันต้องแปรเปลี่ยนไปเนี่ยการพิจารณาของเราคือชัดเจนมาเรื่อยชัดเจนเรื่อยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางไปเรื่อยสักวันหนึ่งมันปล่อยวางหลุดสิ้นออกไปจากจิตจาใจเพราะความรู้แจ้งขึ้นมา พอฟาร์มรู้แจ้งขึ้นมาวิชาเกิดขึ้นเอาวิชาดับไปทันทีเลยมันวางบททุกสิ่งทุกอย่างกองทุงทั้งหลายเอาไอ้กองเศร้าบ้องกองเดือดร้อนเอาวิชากินเหลวทั้งหลายมันวางบดสิจิตถึงซึ่งฟาร์มบริสุทธิ์เวลาใดขณะใดสถานที่ใดก็ตามถึงประตูมากขลเปิดต้ตอนรับโดยทันทีละไม่มีใครไปห้ามได้หรอกไม่มีใครไปเบกอยู่แล้วตอนนี้พอสะสมเข้าไปมันเต็มจิตเต็มใจในขณะใดเวลาใดเนี่ย ประตูมาผลเปิดต้อนรับทันทีแหละเบิ่พระบุริเจ้าของเราเนี่ยนั่นเต็มในวันเพ็ญเดือนหกประตูมาผลนิพายก็เปิดต้อนรับท่านพระสงฆ์สาวกอาราหานั้นแต่ละท่านแต่ละคนเต็มในวันนั้นในชั่วโมงนั้นในสถานที่นั้นประตูมาผลนิพายก็เปิดต้อนรับท่านทันทีแต่กว่าท่านจะเต็มนั้นท่านก็สะสมมากี่พ ก, กี่ชาติป่าพืชปฏิบัติสะสมมาเรื่อยๆ เ, เข้าสู่ใจนั่นพอสะสมเขาสู่ใจสิ่งที่สะสมก็ไปสู่ใจนี่แหละก็เป็นบุเบกตะบุญตา ดังที่ได้กล่าวภาษิตขึ้นมาในเบื้องต้นว่าบุเบกตาบุญญาตาเอตํมังขนันวัตมังการได้สั่งสมบุญมาแตปางก่อนนั้นเป็นมงคลในสูงสดุดเพราะฉนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยการดําเนินชีวิตของพวกเรานับตั้งแต่วันเกิดมาแล้วมันก็อาศัยบุเบกตาบุญาตาตัวนี้แหละให้ผลมาตั้งแต่วันเกิดจําแนกแจกแตกแตายจำแนกให้พวกเราต้องหยาบละเอียดปานนี่แตกต่างกัน ท, ทั้งทั้งที่แต่ละคนแต่ละท่านก็ปาตนาเหมือนกันเนี่ย คนเราได้เกิดขึ้นมาเนี่ ย, orde, นนยอยากเกิดขึนนกกนนน้นมาเป็นคนสวยงามเท่านั้นแหละอยากเกิดมาเป็นคนเฉลียวฉลาดอยากเกิดมาเป็นคนร่ํารวยแต่แล้วทําไมเกิดมาเป็นคนสวยงามไม่เท่ากันร่ํารวยไม่เท่ากันเฉลียวฉลาดไม่เท่ากันล่ะแม้ถ้าเกิดขึ้นมาในพ่อแม่เดียวกันมีลูกสองสาคนมันจะเกิดมาสวยงามไม่เท่ากันเยลยบางคนเกิมมเดม า, ม, ม, ากกมาสวยงามบางคนเกิดมาขี้เลี้ยวขี้เละจนบางเคยเกิดมาพิกลพิการก็มีเห็นไหมล่ะ ทั้งทางที่ปาถนาและไม่ปารถนาแต่มันก็ไม่ได้ได้ดังที่จ้ของปานาหรือไม่ปารถนาแหละแต่มันได้ได้วยอํานาจแห่งบุตรเบเกะบุ ญ, ญาตาบุญที่เราได้สั่งสมไว้นั่นแหละมันก็ให้ผลเรามาให้ผลเรามาเรื่อยเรื่อเราเกาะปัปพุธปฏิบัติเพิ่มเติมไปเรื่อยเพิ่มเติมไปเรื่อยมันก็ให้ผลส่งเสริมไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเต็มภูมิยามใดก็ตามเดี๋ยวประตูมาผลนิพพานเปิดต้อนรับเราแต่ถ้าหากมันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มตาใดก็ตาม แม้เราจะต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่มันก็อาศัยบุบเบเกตบุญญาตานี่แล้วมันก็ส่งเสริมเราส่งเสริมเราตั้งแต่วันเกิดแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตของพวกเราการประกอบกิจการงานอาชีพการทํามาหากินการดําเนินชีวิตของพวกเร า, อ, เราอย่างไรก็ตามไอ้ความได้ไความไม่ได้ความได้มากได้น้อยมันก็อาศัยบุทเบเกตบุญญตานี่เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมเราไปเรื่อยๆไม่ล่ะบางคนนั้นมีความสามารถมาก าการทํางานทําการอันเดียวกันมีความสามารถกว่าอีกคนหนึ่งแต่ยังความเจริญความก้าวหน้าก็ยังแพ้คนที่มีความสามารถน้อยก็เพราะไอคนที่มีความสามารถน้อยเนี่ยแต่เขามีบุทเบรกะตาบุญตาเยอะเขาก็เลยมีความเจริญก้าวหน้าเหนือเราก็เหมือนกับคนที่ฝากธนาคารไว้เขาฝากธนาคารไว้เยอะเขาเลยได้ดอกเบี้ยมากแล้ว ถ, ถึงแม้เขาจะได้เงินเดือนในปัจจุบันน้อยแต่มาบวกกับเบรดอกเบี้ยเขาไม่ก็มีได้มาก แต่พวกเรามีมีเงินต้นไว้น้อยแต่เราก็ได้ดอกเบี้ยน้อยแต่เราได้เงินเดือนปัจจุบันมากกว่าตาแต่พอมาบวกกับดอกเบี้ยแล้วนิดเดีวดวยวก็แค่หางอื่นแต่ไอคนที่แต่คนที่เขาเขาเขาฝากไว้เยอะก็มีบุมเบงกระามบุญญาเตอร์ญา ต, ตาเยอะเนี่ยเขาบวบวกกับคามสามารถในภพนี้ชาตินี้ก็เลยเพิ่มผล ม, มากเป็นหางจรเข้ไปนู่นก็เลยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆไปนั่นน่ะเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละมันให้ผลอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้สาบสูญไปไหน บริเวณผู้ที่เจ้าท่านยิงบอกว่าถ้าหากใครได้สั่งสมไว้มันเป็นมงคลที่โศนเป็นมงคลของชีวิตในมงคลสาที่แตกประการถ้าหาพวกเรามีสะสมมาแล้วนั่นมันจะให้ผลเราตลอดเวลาปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่ถ้าพวกเราไม่ได้สะสมไว้นะ่ะไม่มีโบเปย์ก็อากกระตะบุ ญ, ญาตาแล้วอยากได้แสนแสนอยากได้ดินนด้นรนยังไม่เถอะดิ้นรนไปก็ตายเต่า มันหาอะไรเป็นเกล็ดสันสาวาหาอะไรมีความเจริญงอกงามไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่ได้มาล้นแต่ได้มาด้วยการสร้างด้วยการสะสมมาเสียก่อนไม่ใช่ได้มาแบบแบบเศษแบบแบบเป่านี่ไม่ใช่ได้มาลอยลอยตกมาจากฟ้ า, ฟามันไม่มีหรอกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้นแตมีสาเหตุเป็นที่มาเท่านั้นแหละมันไม่มีผลใดเลยเกิดขึ้นมาลอยลอยลอย้นแต่ผลมันมาจากเหตุตท่นั้ น, นเนี่ยเมื่อผลที่เกิดขึ้นมาของเรามันก็มีเหตุ นี่ก็คือเหตุจากการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อมก็เหตุให้ผล ม, มาเรื่อยเลเป็นความสมความปรารถนาแต่ถ้าคนไม่ได้สร้างอยากเสนีามันก็ไม่ได้แหลเะเบิร์นเขามีมีเรื่องเล่าไว้เรื่องเดิ่งเบอกว่ามีสามีภรรยาอยู่คู่กันนังงนะ่นแหละสามีภรรยาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาแต่นานทำมาหากินมาด้วยความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานอาชีพมาขยันขนาดไหนหาอยู่หากินหาเช้าหาค่ำ มันก็ยังทุกยากอดจนอยู่ตลอดเวลาหามาไม่พออยู่พอกินหาเช้าหาเช้าจนขํามก็ยังไม่พอกินไม่พอเลี้ยงขําหาข้าจนเช้าก็ยังไม่พอกินเช้ามันมีแต่ความอดอยากายแค่ไม่แต่ความขาดเขือนอยู่ตลอดแต่ครอบครัวอื่นผัวเมียคนอื่นเนี่ย เขาหาไปรวยไปรวยไปร ว, วยไปจนตั้งหลักตั้งฐานทั้งๆมีลูกมีเต้าต้องเลี้ยงดูเขาอย่างมีหลักฐานแน่ น, น้านามั่นคงร่ำรวยไปมากไม้ไก่กองทั้งๆที่กว่ามีอาชีพอันเดียวกันหาอย่างเดียวกันแต่เขาก็ร่ำรวยเอาแต่สามีภรรยาคู่นี้หายังไงขยนขันขันแข็งทั้งๆที่ทมีความขยันมั่นเพียรแต่ก็ยังทุกข์ยากอดจนอยู่ตลอดเวลาหาอยู่หากินก็ไม่พอผลที่สุดไอ้เมียก็มาโทษผัวผัวก็มาโทษเมีย ผัวก็าโทษเปิดโทษเมียวเบียเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนไม่มีบุตเบกระบืบุญตาไม่ได้สั่งสมมาไม่ได้ทําไว้ผลที่สุดเลยมันถุดลากเอาเอาผู้ผัวจมไปด้วยไอไอไอไเมียก็ะท้อนผัวผัวก็โทษเบียต่างคนต่างโทษจนไปโทษจนมาไม่ลงใจหาว่าอีกคนหนึ่งหาว่าอีกคนหนึ่งมันอะไรไม่ไม่ได้สั่งสมบุตเบรมาไม่ได้สั่งสมบุญมาก็อนเลยฉุดลากให้อีกคนนึงจมลงไปด้วย ให้คนหนึ่งทกไปด้วยอดจนไปด้วยผนที่สุดทบเถียงไปทบเถียงมาหลายวันผ่านไปหลายวันผ่านมานี้แต่เรื่องทบเทียงอันเดียวกันนี่แหละไม่ลงใจผ น, นที่สุดเลยเอาวไม่ไม่ลงใจกันแล้วเลยมาสัญญากันเลยเล ย, เลยมาตกลงเอากันเลยอย่างนั้นเรามาเลิกกันดีกว่ายังไม่รู้ว่ามามาม า, มาเลิกกันดูใครเป็นนี่หนีบุเบกับบุเบกตาบินยตาใครไม่ได้สั่งสมบุญมาม า, มากันแน่เอาแต่ที่เรามาเลิกกันเถอะมาเลิกกันไปคนละทิ่คนละทางไป เอาก็เลยตกลงว่าเลิกกันพอตกลงกันเลิกกันว่าแล้วก็แต่ก็อาศัยความเป็นคู่หัวตัวเมียกันมานานก็ยังมีความผูกพันกันอยู่ก็ยังมีความรเลึกถึงกันอยู่ก็เลยเอามาก่อนอย่าเลิกกันอย่ามาสัญญิงสัญญากันสักตอนมาตกลงกันสักตอนว่าเอาถ้าเราเลิกกันแล้วถ้าคนไหนได้ดิีไดดีอย่าลืมอีกคนหนึ่งนะเอ้าด้วยความผูกพันด้วยความรเลึกถึงกันอยู่ก็ยังมีมีข้อผูกมัดอยู่ว่า อ้าถ้าเราแยกกันไปแล้วพอคนใดคนหนึ่งไปได้ดิบไดดีแล้วอย่าลืมอีกคนหนึ่งนะอ้าเามื่อตกลงกันแล้วอย่างนี้แล้วก็เลยเยอะแรกเลิ ก, เลกกันเลิกก็แยกย้ายไปสามี ก, ก็ไปทิพนึงทางไปนิยา ก, ก็ไปทางหนึ่งก็ไปไปหาเลี้ยงชีพไปกันไปนี่นแหละต่างคนต่างไปหาเลี้ยงชีพหาอยู่หากินหาสร้างฐานหน้าของตัวเองไอ้เจ้าเมียนั้นก็ไปเลยมันไปก็ไปหารับจ้างเขาไปหารับจ้างแล้รับจ้างเขาที่โน่นรับจ้างเขาที่นี่เลี้ยงชีพไป ว่ตอนต่อมารับจ้างไปรับจ้างมาเขาไปรับจ้างอยู่ที่บ้านเศรษฐีท่านเศรษฐีเลยรับเอารับเอามาเป็นคนคนใช้อยู่ในบ้านเมื่อมาเป็นคนใช้อยู่ในบ้านจะทำงานทําการอยู่ในบ้านของเศรษฐีนั่นแหล ะ, ะทำความสะอาดบ้างทําครัวบ้างซักเสื้อผ้าซักอะไรต่ออะไรทํางานอยู่ในบ้านเศรษฐีอยู่ไปอยู่มานานวันมาเมียของเศรษฐีตายลงพอเมียเศรษฐีตายลงเศรษฐีเลยรับมาปมเป็นเมียซะก็เลยเป็นต็อกแกนเนียไปเลยตอนนี้ได้ไหมล่ะ พอเป็นชาแกเนีาดาตอนนี้เสื้อผ้าอาภร์กปาณีเครื่องตกแต่งวิจิตหรือวิจิตงดงามมีกินอยู่เขาอุดมสมบูรณ์เมื่อเรการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเครื่องประดับตกแต่งมีความวิจิตมีความงดงามมีความปาณีการกินอยู่เขาดีดีดมันก็ผิวพรรณมันก็ผ่องใสผิวพรรณหน้าตาก็แจ่มใสขึ้นมาผลที่สุด ส, าาส น, รนาราศีคนชาวแคนาดาไปจับเป็นตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้า กายไปเท้ากันมาดิ้นสิสามมีแต่สะราสีคนตากแกตาแกเนี่ยอยู่เตวอวอยู่ทั้งตัวนั่นก็ตํารลงชีวิตมาในความเป็นตากแกเนี่ม ย, ยมาเรื่อยๆืมาไอเจ้าผัวนั่นก็ออไปหานักจ้างเข้าไปไปรับจ้างที่ไหนก็ไม่มีใครข้าเอาไม่มีใครข้าเอาส่วนนี้เงินทองที่ติดเนื้อติดตัวก็ไปซื้อิกินเลีเ้ยงชีพไปคนที่สุดก็บดเนื้อว่าตัวไอรับล้มบัาดเสื้อผ้าที่ติดเนื้อติดตัวก็ไปขายไปแลกเปลี่ยนมาเลี้ยงชีวิต มาเลี้ยงชีวิตไปเลี้ยงชีวิตไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งคนที่สุดบดเนื้อบมตัวเหลือแต่ผ้าเปี่ยวเหลือแต่เสื้อผ้าที่นึ่งเยือดชุดเดียวก็เลยไปขอทานเขกินขอทานเขกินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินบางวันก็อิ่มบ้างบางวันก็ไม่อิ่มบ้างขอทานก็โซซักโซเซขอทานก็ไปหากินไปอยู่อย่างนั้นน่ะไอเสื้อผ้านานวันเข้ามันก็เก่าคําคลาไปคนที่สุดกขด็ขาดวิ่นขาดวินไปสกปรกโซโคบุ้มผ้าขี้ลื้ว นุ่งผ่าคีรลวขอทานก็ไปได้กินบ้างไหมไม่ได้กินบ้างอิ่มบ้างไม่ไม่ไมอิ่มบ้างร่างกายก็พ่ายพร้อมอมีเด่กระดูกที่โค้งขึ้นโตโตมา เ, าเส้นเอ็นนัดเริงผิวพันผิวพันมันก็เศร้าหมองอหน้าตาก็ห่อเหี่ยวบางวันก็เดินโ ซ, ซักโซเซแทบไม่มีกําลังที่จะประคับประคองตัวไม่ได้กินบ้างหิวก็หายอดโซไปแบบนั้นแหละ เดินโซซักโซเซขอทานเขากินเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งบ่ายคอยมาแล้วยังหาที่ไหนไม่ได้อยังไม่มีข้าวตกไปถึงท้องเลยไปถึงตะ ว, วันบ่ายแล้วจนแทบจะเป็นลมตายเดินโซซักโซเซเดินผ่านบ้านเศรษฐีไปไอ้เจ้าเมียเศรษฐีมาเห็นเข้าเอ้าอิตาแก่นี่ผัวเรานี่หรือวะไอ่ทาไมผัวเราเป็มาตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้มันอดจนสาขาดแขนโซโซโซักโซเซมาถึงขนาดนี้เหรอ แต่ไอ้เจ้าผัวมันจําเมียไม่ได้แล้วเพราะสนาราศีของทั้งแกเนี่ยมันจับแล้วอย่าไปจำได้อะไรเออก็บองเมียเด้อยความจดจาไม่ได้แหละไอ้เมียจําผัวได้ก็เดี๋ยวเลยละลึกถึงไอ้คาสัญญาเก่าว่าใครได้ดีได้ดีแล้วอย่าลืมอยู่คนหนึ่งพอพอระลึกถึงสัญญาเก่าได้ไอ้เมียเสด็จถีก็เลยผถามีตาขอทานเอา้าตาเท่าตาเท่าแกมาหาขอเนี่ยเจแ ก, กหาขออะไรเลยต้องการอะไรเลยไอ้ตาเท่าไอ้ตาขอทานเงบอกอ๊้ยนายเอ้ย ผู้ค้าตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายคอยแล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยขอข้าวผู้ค้ากินพอประทังหิวสักหน่อยหนึ่งพอให้ไพอให้ดําลงชีวิตอยู่ได้เถิดไอ้เจ้าเมียเศรษฐีอ้าวถ้าเช่นนั้นคอยสักครู่หนึงนะเดี๋ยวเราจะจัดอาหารมาให้พอเมียเศรษฐีกล่าวอย่างไรก็ไอจะขอทานเนี่ยยืนคอยอยู่หน้าบ้านไอ้เจ้าเมียเศรษฐีว่าเข้าไปหลังบ้านเนี่ยก็ไปได้บักเือบแล้ได้ฟักทองลูกบักใหญ่แล้วมากับ ตัดจุกออกเลยตัดจุกออกนึกถึงสัญญาเก่านี่ว่าใครได้ดีไปดีแ ล, ล้วที่จะเลือกอีกคนหนึ่งก็ไปตัดจุกออกแล้วฟ้าเอาไส้มันออกพอฟ้าเอาไส้มันออกแล้วก็เอาทองหยองเพชรนิ่งกินดายัดใส่เข้าไปยัดใส่เข้าไปแล้วเอาจุกแล้วปิ ด, ป ด, ปดอย่างเก่าเอาบอกว่าเอออีตาขอทานมันได้เพชรเพชรนิ่งกินดาทองหยองไปนี้มันก็พอเลี้ยงชีพเป็นนังชาติเนี่ไม่ต้องมาขอทานอีกต่อไปแหละถึงไม่เป็นเศรษฐีใหญ่มันก็พอเลี้ยงชีวิตของมันไปนั่นแหละ ก็เลยยกเอาฟักทองเนี่ยมาให้อีตาขอทาน อ, าาาอ้าไปไตาเท่าแกไปหาที่ดิบที่ดีหน่อยเด้อไปไปต้มกินเถอะเด้ออีตาขอทานเนี่ยได้ฟักทองมันหนักตึงเนแบกมาเนี่ยแบกมานึกด่าในิใจเนีะโอ๊ยโดยเองเนี่ยจะเดินตัวเป่ามันก็ยังจะเป็นลมตายโอ้ยอีหาเอ้ยกูจะขอข้าวกินละเกินมือหนึงพอประทังหิวหน่อยมึงต้องทนในกรุงมาแบกฟักทองอย่จะเป็นลมตายหลังจะหักตาย นึกห่าไปในใจพอไม่ดีมีชายตัดฟืนตัดฟื น, ฟนแบกฟืนผ่านมาไปเลยไอตาขอทานมาไ อ, าอตาเท่าตาเท่าแกมีลูกมีเมียจะเลี้ยงไปเอาฟักทองไปเลี้ยงต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแกจะไปไอเราปากเดียวท้องเดียวขอทานขอข้าวเพรากินประทังหิวไปหน่อยเดียวเท่านั้นแหละยกฟักทองอีตาขอทานต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเป็นเศษผีไปเลยใช่ไหมไอตาเท่านี่ก็เลยขอทานต่อไปเลยเนี่ย ขอทานต่อไปโสดัดโสดเซต่อไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างเออิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างวันต่อไปนานวันต่อมาขอทานผ่านมาอีบ้านเกษตรถี่อีกเอ้าเมียเศรษฐีมาเห็นเอ้าตายแล้ววันนั้นเน้่ยลูกฟักทองลูกบักใหญ่ทําไมมันยังมาขอทานอีกก็เลยไปถามไ อ, าอตาเท่ามันมันจะไม่ให้ใหฟักทองแกลูกบักใหญ่แกไม่ได้ไปต้มกินเนอะอิตาเท่าก็อ้ยนายเลยนายเลย ผู้ฆ่าไปเดินตัวเปล่ามันจะเป็นลมตายแล้วยังมันแบกฟักทองแบกไม่ไหวหรอกมันก็เลยให้อีตาชายตัดฟุนไปป้อมเรื่องลูกเลี้ยงเมียมันแล้วไอ้ไอ้ตาเมียเศรษฐีโอ้ยจะด่ามันเลยมันก็มันก็เปืองเปืองน้ำลายเปล่าเหนื่อยเปล่าเขาเ ป, าเ ป, าเปา็นเสียไปแล้วดา่าไม่นขนาดไหนมันก็ไม่ได้กลับคืนมาหรอกหัวที่สุดแล้วปลงใจเออนีน่นีน่นนก็เสียไปแล้วเอเอาถ้าเหตุเช่นนั้นแกคอยถักคู่ถนะูกไหมเดี๋ยวเราจะไปจัดอาหารมาให้ ก็เลยให้อีตาขอทานคอยยืนคอยอยู่หน้าบ้านไอ้เจ้าเมียเศรษฐีเลยเข้าไปดิขัวเข้าไปดิขัวก็ได้ใบกล้วยแลย้วใบกล้วยใบตองใบบักใหญ่ก็ตักข้าวใส่ลงไปตักข้าวจากนั้นก็เอาอาหารอันอรอร่อยอันปานีตตักอาหารโปะลงไปโปะลงไปในข้าวเสร็จแล้วเอาเพชรนินจินดาทองหยองโปะลงไปในห่อข้าวนั่แหละโปะลงไปโปะลงไปโปะลงไปเสร็จแล้วก็หอ่อมันอ ย, อย่างดีอย่างดีแหละห่อแล้วก็เอาเชือกมามัด มัดอย่างดีอย่า ง, งปานนี่ขอขิวไหมตะขอทาน Store, ไปขิวไหมตะขอทานเอาไปเจ้าเอาห่นานขอข้าวนี้ไปกินเนอะไปหาที่นั่งสบายที่ไหนมันสบายสบายไปนั่งกินเนอะตาขอทานก็โดยโดยขน้อยได้ห่อข้าวขออยู่ไปแล้วขิวไปก็เห็นสะพานข้ามแม่น้ํามันเด่นสบายลมพัดแม่น้ำยิววิมันเยินสบายนี่โอ้ยก็ไปนั่งขัดเดือมานั่งอยู่ริมสะพานแก้ห่อข้าวแล้ว แก้ห่อข้าวนั่งคาสบายนั่งในริมสะพานสบายลมพัดสบายๆนี่นั่งแก้ห่อข้าวแก้ไปแก้มาหลุดหลุดมือตกนั้นตําไปโอ้ยอดกินกต่ำอีตายหาเลยเอ อ, อเมื่อห่อข้าวหลุดอกน้าตำ่ำมันจะได้กินที่ไหนใช่ไหมละ่ะเออมันเลยหาขอทานต่อไปเอียกยไม่ไว่าอย่างไงขอทานต่อไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างไปนั้นแหละเออขอทานต่อใบคาวัดต่อมาก็ขอทานแผ่นบ้านเกษตรเศรษฐีไอ้เมียเศรษฐีตายละอะไรวะ ให้ห่อข้าวบักใหญ่แล้วยังมาขอทานอีกก็เลยมาถามมีต่ขอทานออกวันนั้นจะให้ขอข้าวเกไปเกได้กินหรือเปล่า่ะอิตาขอทานโอ้ยไม่ได้กินแล้วไปนั่งอยู่ริมสะพานแก้ห่อข้าวหลุดมือตกน้ําไปทําไอตัดเมียสิทธิ์โอ๊ยอิตาเข่าหาเอ้ยกูจะด่ามึงก็ด่ามึงเปลือกปากเปล่ามันก็เบือเปลืองน้ำลายของมันเสียไปแล้วเนียแผ่นดินทั้งแผ่นมันจะไม่มีที่นั่งมันต้องไปนั่งไงมันริมสะพานริมสะพานมันตกน้ําตกท่าไปล่ะ ก็เลยโอ้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาปงใช่ป่ะก็เลยเอาข้าวเย็นนั้นแกคอยักคูยนั่นนี่เฉยๆห่อข้าวมาใหม่อีตาเมียเศรษฐีก็เอาเข้าไปเข้าไปเออตะครัวแล้วอาหารเอข้าวมาห่อลงไปใส่ในห่อไปเศษนั้นไปดูไปดูเพชรหนิงกินได้มีเท่าไหร่เอาเป็นเหลือกองสุดท้ายแล้วเหลือกองสุดท้ายแล้วเพชรหนิงกินด้น่นมีเท่าไหร่ขนมาหมดแลายบาทนี่ขนมาหมดท่อสุดท้ายแล้วกองสุดท้ายแล้วขนมาโปะลงไปในข้าวนี่ย เบลงไปก็มมัดห่อข้าวหอห่อข้าวอย่างดีแล้วมัดห่อข้าวขิวมาใหมตะขอถาดอ่แกไปหาที่ดิบที่ดีที่สบายแล้วไปหานั่งริบลิมละพานีิตกน้ามาไม่ได้เยังไม่ได้กินไม่ให้อีกแล้วนะหอดีห่อสุดท้ายแลยนะเออก็ไปหาตกน้ําตกท่ามาเลยมาขอทีหลังไม่ให้แล้วนะอกไปไปหาที่ it, มันดิบที่มันดีที่มันสบายสบายที่ปลอดภัยเลยนั่งกินแม้เว้ยตะขอถานโดยด้วยขน้อยได้ได้ห่อข้าวขิ้วไปแล้วขิ้วไปเดินไปชายเขาตีนเขาเลย โอ้ยลมพัดชายเขาเย็นสบายคืออย่างนี่ยไหม่หรอกเขาบอกลมพัด ช, ชัยเขามีอะไรสบายเท่าลมพัดชายเขาวิวว่างงามนี่มีตอไม้บักใหญ่อยู่ข้างอยู่ตีนเขาตอนอีตาเท่าตีปิงเข้าไปนั่งคาตมาอยู่บนตอไม้แล้วเออนั่งคาตมาตอไม้โอ้ยวิวสวยวิวงามแก่ห่อข้าวแล้วแก่ไปแก่มาห่อข้าวเปิดออกปอดถูองยอมเพชรนิงกินตามส่องแสง ว, วุบวับวุบวับเข้าตาเนี่ โอ้ยดีอกดีใจลูกค้าเป็นเศรษฐีลูกขึ้นชายโย่โอยกูเป็นเศรษฐีแล้วเต้นไปเต้นมาผ้าตกมาคอหักตายซ้ํำหุยทหาเออก็เลยทิ้งทิ้งเพชรมินติดาอยู่บนตอไม้เนี่เอ้าพวกเราลองเนี่ยถ้าใครในที่นี้ถ้าเราเด็ไปสะสมบุเบกระตาบุญตาเราไปหาต่นตอไม้นั้นดูมันได้เจอเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีบุเบกระตาบุญตามันก็ชนตอไม้คอหักตายอีกก็ไม่รู้เด้อเนอะแล้วไม่มีบุเบกกระตาบุญตาให้ขนาดไหนมันก็ไม่ได้ลุกมือล่ะ แต่ถ้าได้สร้างไว้แล้วยังไงก็ตกใส่มือเราวันยังขั้มขึ้นยังรุ่งนั่นแหละเพราะนั้นการสั่งสมมาการเอากองทุกเนี่่ะมาแปลงเป็นกองสุกสู่จุดเลยมาเป็นแปลงเป็นกองอัดกองทําเข้าสู่ติดสู่ใจแล้วมันให้สุขอยู่ตลอดเวลาให้สุขไปจนกระทั่งบดภพบมดชาติมันไม่จนบดอกไม่สุดทางตราบใดยังไม่ถึงประตูมาผลให้ผานแล้วมันจะให้ผลเราตลอดเวลาพราะพุทธเจ้าพระองค์ จ, จึงกล่าวไว้ว่ามันเป็นมงคลอย่างสูงสุด เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราพาคนฉลาดแล้วให้พากันเดินตามรอยพุทธเจ้านะั่นน่ะให้พากันอย่าจมอยู่ในด้กองทุก เ, เหงินนะคนนี้ก็โยกกองขยะเข้ามาจมโยกกองขยะและ้วถ้าคนฉลาดอ่ะเขาเอากองขยะนั้มาแปลงเป็นปุ๋ยใส่ต้นไงจเจริญงอกงามจนดอกออกดอกออกผลมาให้เขาได้ชื่นอยู่อกชื่นใจคนฉลาดก็จึงกันโยกกองทุกเนี้ยกองทุกเนี้มาแปลงเป็นอัดเป็นเป็นธทำเข้าสู่จิตสู่ใจมีแต่ความสุขมีแต่ความาสมหวังมีแต่ความเบิกบานตลอดเวลา เอาแล้มาแปลงด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เข้าสูจส่จิตสู่ใจเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันน้อมนําเอาไปไปฏิบัติปฏิบัติแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็จะประสบกต่ความฉุดฟัมเจริญการแสดงธรรมมานั้นก็เห็นว่าพอสมควรเก็เวลาจึงขออาศัยด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพตลอดทังนานุภาพอย่างบุญสมนทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญ ม, มาแล้วนั้นจงมาเป็นพลังอํานวยัยพวกเทั้งหมดท่านทั้งหลาย ประสบแต่ความศุขสวัสดีมีใช้ในทุกการและทุกสถานที่แม้ปานาสิ่งใดแล้วความปานาทั้งหลายนั้นควรบอกควรต่ออัดต่อทมแล้วขอฟ้าปานาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเดิสาธุ